โลกกำลังจะมีภัยพิบัติครั้งใหญ่จริงหรือไม่ตอบตั้งแต่เกิดเหตุซูนามิถล่มหลายประเทศกระบวนการพยากรณ์ก็กลับมาฮิตใหม่อีกครั้งหลังจากซบเซาไปนานทั้งการไม่มาตามนัดของสงครามนิวเคลียร์ในปี1999และทั้งการลบแผนที่หลายๆประเทศโดยเฉพาะ ประเทศที่มีหมู่เกาะซึ่งเสี่ยงต่อการจมน้ำทั้งหลายผมมองว่าขบวนการพยากรภัยพิบัติส่วนใหญ่คือการใช้ประโยชน์จากความกลัวของผู้คนคำทำนายมักหนีไม่พ้นแผ่นดินไหวน้ำท่วมไฟไหม้พายุซัดเพราะเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นบ่อยในระยะหลังแต่เพื่อให้น่าสนใจคำพยากรช่วงนี้จะออกแนวหายนะระดับล้างโลก ที่น่าขนพองสยองกล้าวเช่นประเทศนั้นประเทศนี้จะหายวับไปกับตาอะไรทำนองนั้นนอกจากภายทางธรรมชาติยังมีคําพยากรณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคซึ่งอันนี้ก็เป็นจริงและควรมองว่าหน้าวันวิตกกว่ากันเสียอีกเพราะมีข่าวไวรัสสายพันธุ์ใหม่ให้ได้ยินเป็นรายวันชนิดที่ต่อไปคนอาจไม่ประหลาดใจถ้ามีข่าวว่าอยู่ดีๆ มีคนกลุ่มหนึ่งบนฟุตบาทลงไปชักดิ้นชักงอพราดพลาดเหมือนในหนังเขย่าวขวัญโดยทีมแพทย์ตรวจเบื้องต้นไม่ทราบว่าโดนเชื้อโรคสายพันธุ์ใดเล่นงานเสียงเลือกเกี่ยวกับการเอาอาวุธนิวเคลียร์มาเป็นเครื่องมือคมขู่กันระหว่างประเทศก็ทำให้เกิดการพยากรณ์อันน่าเชื่อถือได้อีกว่าวันหนึ่งโลกคงไม่คล้าต้องประสบกับศ ก, บบกนาตกรรมครั้งใหญ่สุด คนตายเรือนล้านทันทีจากอาวุธนิวเคลียร์และอีกหลายล้านต้องตายแบบผ่อนส่งจากพิษกัมมันตภาพรังสีสรุปคือปัจจัยที่จะทําให้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่นั้นมีอยู่จริงอย่างไรก็ตามสิ่งที่มีอยู่จริงก็ไม่จําเป็นต้องแพร่งริดเสมอไปทํานองเดียวกับที่เราเดินผ่านมามีเขี้ยวเล็บทุกวัน มันมีสิทธ์กัดเราเนื้อขาดได้ตอนทีเผลอแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่กัดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราเดินผ่านไปสบายๆโดยไม่คิดอะไรจนกว่าจะมีข่าวหมาเป็นพิษสุนัขบ้าหรือได้ยินใครในตลาดเล่าให้ฟังว่าหมู่นี้หมาชอบกัดคนเดินท้าประจำคุณถึงค่อยเกิดอาการเหลียวซ้ายแลขวาล็อกแรกแตกต่างไปจากเดิม ลองหลบมุมจากเสียงลือเสียงเล่าอ้างแล้วมาดูกันในมุมมองของกรรมวิบากกันบ้างนะครับผมจะไม่พูดแบบหมอดูคือไม่ฟันธงลงไปว่าอะไรจะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ตอนดาวทํามุมอย่างไรแต่จะลองวาดภาพให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าตามหลักแล้ววิบากกรรมจะเล่นงานคนเรือนล้านพร้อมกันได้เพราะมีเหตุปัจจัยดังนี้ หนึ่งมีสัตว์ต้องตายพร้อมกันนับอสงไขคืออย่าไปคิดเฉพาะมนุษย์ซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์ที่กำลังสวยบุญขั้นสูงสุดแต่ต้องคิดถึงสัตว์น้อยใหญ่อีกไม่รู้กี่แสนล้านตัวด้วยเพราะสมมุติว่าคนตายเพียงหนึ่งล้านแปลว่าต้องกินอาณาบริเวณกว้างไกลไม่ใช่เล่นๆอาจจะทั้งจังหวัดเล็กๆ ล, ลองคิดดูสิครับว่าหมาแมวหนูนกมดปลวก และอะรายจปิปาถะอื่นๆจะมีอยู่ประมาณไหนในหนึ่งจังหวัดใช้ตัวเลขมั่วๆว่านับไม่ท่วนไปพลางๆดีกว่า 2. วิบากกรรมที่ทำให้ตายกระทันหันนั้นควรจะเป็นประเภทตัดรอนภาวะดีๆเปลี่ยนเอาภาวะร้ายๆมาแทนที่แบบปุบ ป, ปับฉับพลัน ไม่ให้ทันได้ตั้งเนื้อตั้งตัวพูดง่ายๆว่าต้องตกต่ำลงจากสภาพเคยอยู่ดีมีสุขในสภาพเนื้อตัวแห้งสะอาดนุ่มนิ่มแบบมนุษย์ไปเป็นอื่นที่ลำบากกว่ากันทั้งนี้ก็เพราะคนและสัตว์ส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมใจตายไว้ล่วงหน้าเมื่อไม่ได้เตรียมก็แปลว่าใช้ชีวิตตามสบายซึ่งตามสบายของคนส่วนใหญ่ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับ ถ้าไม่คิดเรื่องเซ็ก์ก็คิดเรื่องล้างแค้นถ้าไม่คิดเรื่องล้างแค้นก็คิดเรื่องความสําคัญของตัวตนล้วนแต่เรื่องปรุงแต่งจิตให้เศร้าหมองเมื่อตายขณะจิตเศร้าหมองย่อมเอียงลงต่ำเว้นแต่จะสั่งสมบุญใหญ่ไว้ช้อนได้ทันอีกประการหนึ่งภายพิบัติประดับทําคนตายเป็นล้านนั้น มักมาในรูปแบบของความน่าสะพรึงกลัวไม่มีอะไรเกินความกลัวเป็นโทสะชนิดแรงกล้าถ้าครอบงำจิตสุดท้ายไว้ทั้งดวงได้ก็มักตรึงจิตให้ติดอยู่กับความกลัวนั้นๆพูดง่ายๆเป็นเปรตที่ต้องวนเวียนอยู่กับภพบแห่งความน่ากลัวไปอีกนานจนกว่าจะมีบุญใดมาเลื่อนชั้นให้น้อยคนครับ ที่เปลี่ยนจากภาวะมนุษย์ด้วยอุบัติเหตุกระทันหันแล้วไปสูงขึ้นต้องสั่งสมต้องยอมจิตยอมใจเป็นกุศลกันจนอยู่ตัวพอประมาณเอาแค่ปัจจัยที่เอื้อให้เกิดมหาหายนะสองข้อข้างต้นก็คงพอจะพิจารณาได้ว่าการตายเกลี้ยงติแบบเทกระจัดทิ้งทั้งหมดโลกในคราวเดียวนั้น เกิดขึ้นได้ยากเต็มทีครับเพรอบแปล ว, ว่าผู้มีบุญถึงขั้นได้เป็นมนุษย์กว่าหกพันล้านรายจะต้องตายร้ายพร้อมกันหมดอัตราความเป็นไปได้คงเป็นศูนย์คือต่อให้มีดาวหางใหญ่เท่าดวงจันทร์จะวิ่งมาชนโลกแตกดับก็ต้องได้พระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยให้เหมือนในหนังจนได้อย่างไรก็ตาม แม้โอกาสตายเกลี้ยงพร้อมกันจะเป็นศูนย์แต่โอกาสทยอยตายเป็นกระจุกกระจุกนั้นชักเริ่มมีมากทั้งนี้เพราะมีผู้สมควรตายแบบปัจจุบันทันด่วนเพิ่มขึ้นนั่นเองผู้สมควรตายแบบปัจจุบันทันด่วนนั้นคือใครบ้าง 1. ผู้ถึงวาระสุดท้าย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 แต่ถ้าระหว่างมีชีวิตไม่ทำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้อยู่ในใจก็มักกังวล น, นูนนี่สารพัดส 2. พูดถึงวาระสุดท้ายเช่นเดียวกับข้อแรกแต่กรรมในอดีตชาติหรือในชาติปัจจุบันบังคับไว้เลยว่าต้องตายด้วยจิตที่เป็นกุศลหรืออกุศลเช่นถ้าอดีตชาติ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 ผู้มีบาปหนักถึงเวลาตายในจังหวะที่จิตกำลังดำมืดขาดกำลังส่งให้ไปดีเขามีบาปหนักสมควรจะต้องชดใช้ขณะที่ว่าถ้ายัางมีชีวิตต่อก็จะขาดเหตุปัใจจัยในโลกนี้มาลงโทษอย่างสาสมอันนี้หาได้ยากที่เคยมีเป็นเยี่ยงอย่างแก่มนุษยชาติก็ได้แก่พระเทวทัตซึ่งทำร้ายพระพุทธองค์สารพัดวิธี แบบกักลงพระชนอยู่ๆพื้นแผ่นดินที่ยืนอยู่ก็แยกออกและกลืนหายลงไปเฉยๆไม่ได้สูบหวบเดียวจมมิดเพราะหลักฐานมีอยู่ว่าพระเทวทัตสำนึกผิดได้ตอนโดนดูดลงไปเหลือแค่ส่วนหัวตําแหน่งที่พระเทวทัตโดนในปัจจุบันก็ยังมีปักป้ายแสดงที่อินเดียใครอยากดูก็ลองไปสัมผัสเอาเองว่ามีความน่าขนลุกอยู่จริงไหม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 ไม่มีปัจจัยในโลกสนองตอบได้ไหวเลยตายแบบปัจจุบันทันด่วนด้วยสัตว์ร้ายไปเสวยสวรรค์ระหว่างทางทาบุญนั่นเองซึ่งปัจจุบันข่าวทัวบุญที่รถเทกระจาดก็มีให้เห็นบ่อยจนบางคนตั้งข้อสังเกตนะครับอย่าตีความว่าทาบุญแล้วตายหมายถึงทาบุญแล้วได้อภิมงคนเป็นอันขาด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 ประสบกับรูปแบบเคราะหกรรมเดี่ยวร่วมกันเช่นในคัมภีมีเรื่องของเหล่าภิกษุไปติดในถ้าด้วยกันอดอยากปากแห้งร่วมกันอยู่หลายวันก็เพราะกรรมหมู่ในอดีตชาติที่เคยร่วมกันกักขังสัตว์ให้ได้รับความทรมานเป็นต้นโลกนี้แบ่งออกเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยกับเขตพื้นที่สุ่มเสี่ยงและเป็นอย่างนี้มาทุกยุคทุกสมัย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 มีให้หลงตายตกร่วงลงต่ำอย่างแน่นอน